ทันทุมะก็คิดว่าพระราชบุตรราชโอรสของพระองค์ควรจะได้ครองราชสมบัติเช่นกับพระองค์และก็พระโพธิสัตว์นั้นยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ตรงที่ว่าพระโ พ, พธิสัตว์จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิต้องการเห็นลูกเป็นจกักรพรรดิมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยคิดตอบไปอีกว่าวิปัสสีราชกุมารอย่าออกผนวดเป็นบนรรปะชิตเลยถ้อยคําของเนมิตกะพราหมย่าพึงเป็นความจริงเลย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 โดยสดงดงามที่สุดเท่าที่จะทําได้มาทําให้ยิ่งยิ่งกว่าเดิมโดยอาการที่จะให้พระวิปัสสีราชกุมารเสวยราชโดยอาการที่จะไม่ให้พระวิปัสสีราชกุมารเสด็จออกผนวดบวชเป็นมันปะชิตโดยอาการที่จะให้ถ้อยคําของเนมิตตพราหมณ์ผิดเรียกว่าวัตถุประสงค์มี3าอย่าง1ต้องการให้ลูกเสวยราสองไม่ต้องการให้ลูกบวชสอยากจะลองว่าไอคำพูดของพราหมที่พยากรณ์มาเนี่ยต้องผิดมั้งเนี่ย ภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าครั้งนั้นพระวิปัสสีราชคุมานเพียบพร้อมพรั่ง พ, พร้อมไปด้วยกาลมคุณห้าได้รับการบำรงุงบำเรออยู่เป็นคนทั่วๆไปแล้วก็ยากแล้วนะในข้อ34ต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลโดยการล่วงไปหลายปีเนี่ยนะ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 สเสด็จประพาสพระราชยุทธยานก็ได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บป่วยนี่ป่วยแค่ไหนถึงความลําบากเป็นไข้หนัก น, นะป่วยมากกลางวันนี่ก็เดินผ่านเตียงอนนะผู้หญิงคนหนึ่งก็นอนอ น, นะนั่สมเลยนะสังเกตดูว่าเอาเป็นมากพร้อมแล้วก็ป่วยไม่สบายมันก็นี่แหละคนเจ็บก็ถึงความลําบากเนี่ยอายุไม่มากถ้าอายุมากมแล้วป่วยมันจะเป็นยังไงนะเป็นไข้หนัก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 นายสารธีพอรับคำสั่งของพระวิปัสสิราชกุมารแล้วก็เสด็จกลับไปยังวังเกลับไปาจากพระชุทยานดูกพิสูจน์ทั้งหลายได้ยินว่าครั้งนั้นพระวิปัสสีราชกุมาร น, นิเสด็จถึงวังแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์เศร้าพระไทยโปรงดำเรว่าผู้เจริญได้ยินว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นของหน้ารังเกียจนารังเกียดแท้ตัวความเกิดนี่แหละ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 สรีระพร้อมที่จะเจ็บป่วยพร้อมที่จะไม่สบายพร้อมที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้าไปย่ำยีหรือไปเสียแทงอั น, นี้พ่อละดูความพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแลพระเจ้าพันธุมะรับสังหานายสารถีมาแล้วก็ตรัสถามว่านายสารถีผู้สหายราชกุมารได้อภิรมอยู่ในภูมิภาคแห่งสวนแลหรือนายสารถีก็ ก็ตอบว่าพระราชกมุมารพอพระไทยในภูมิภาคแห่งสวนแหลหรือนายสารถีก็บอกว่าขอเดชะพระราชกมุมารนี้ไม่ได้ทรงอภิรม์ในภูมิภาคแห่งพระราชธิญาณขอเดชะพระราชกมุมารมิได้พอพระไทยในภูมิภาคแห่งพระราชธิญาณดังนี้พระราชาประทามต่อไปว่านายสารถีผู้สหายก็ราชกมุมารขณะเมื่อประพาสสวนเนี่ย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 เรว่าอะไรนะคนที่เก็บสตังค์เป็นต้นก็อะไรไว้อะไรไว้ดูแลร่างกายยามเจ็บป่วยนั่นแหละยามเจ็บไข้บทว่าบทนี้ว่าชาราจักปรากฏพญาธิจักปรากฏความว่าเมื่อชาติชาราพญาที่ทั้งสองนี้ย่อมปรากฏชาตินี่น่ารังเกียจคือคือคนโดยคนปกติทั่วไปเนี่ยถามว่าเมื่อเห็น เห็นความแก่เนี่ยเยกลียดความแก่หรือเกลียดอะไรบอกเกลียดความแก่แต่ไม่รังเกียจความเกิดแต่อย่าง่ะอย่างยายทั้งหลายที่เห็นหลานเนี่ยนะย่าทั้งหลายที่เห็นหลานเนี่ยปกติเนี่ยรังเกียจไหมโอ้เนี่ยเกิดมาชราเช่นเราแท้ปล่านี่นะโอ้ดีใจหลานของย่าหลานยายเนี่ยนะมันซึ่งจริงๆแล้วก็ผู้ที่เกิดมาก็กลับมาเป็นเช่นกับตัวเองนั่นแหละเนี่ยนะเราก็ทุกข์พอแรงแล้ว เราก็ทุกเต็มทนแล้วเนี่ยะมันลูกหลานของเราก็เกิดมาทุกเช่นกับเรานี่แหละนีต้องคิดอย่างนี้เพราะนั้นตัวที่น่ารังเกียจแท้ๆก็คือตัวความเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เกิดนี่แหละจะปลอดจะโปร่งจะโล่งความสุขที่แท้จริงคือการไม่เกิดเพราะนั้นพระกุมารประทับนั่งขุดรากของชาติดุดลูกศรดอกที่สองเนี่ยเหมือนกระ t อนลูกศรลูกที่สองออกไป วความเกิดนี่แหละถ้าจะน่ารังเกียจความแก่และความตายก็ต้องรังเกียจความเกิดทีนี้ในเรื่องที่พระเจ้าพันทุมะตรัสถามนายสารถีที่บอกว่าพระโพธิสัตว์ไปเห็นอะไรเขาทำไมท่านจึงเป็นทุกข์ทำไมท่านจึงไม่พอพระทย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 ก็เปรียบได้เลยว่าตัวเองก็ต้องเป็นอย่างนี้คนอื่นก็ต้องมาคอย พ, พ, พยุงเราเนี่ยพยงลุกพยุงนั่งนะดูแลอุจ ร, ประปสวาวะเนี่ยโอ้ยมันจะทุกข์ขนาดไหนพระเจ้าพระองค์ก็บอกว่าสารทีผู้สหายถ้าเช่นนั้นวันนี้พอแล้วสําหรับภูมิภาคแห่งสวนเธอจงนําเรากลับไปวางจากสวนนี้ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากราบคำสั่งของพระวิปัสสีราชคุมารแล้วก็นําเสด็จกลับไปจากวางัง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 คิดเรื่องนี้ถือว่าเป็นเป็นชีวิตจิตใจของท่านท่านเอาเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาหลักของท่านท่านถือว่าความเกิดนี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเพราะถ้าจะพ้นจากทุกเหล่านี้ได้ก็ต้องไม่เกิดนะท่านก็เริ่มคิดลักษณะของฝั่งวัตตะและวิวัตตะเพราะอัธยาสาัยสังสมมาที่จะเห็นอริยสัจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นทุกท่านก็สาวไปหาเหตุเหตุแห่งชราและมรณะเหตุแห่ง ชราและพยาธิก็มาจากความเกิดตัวความเกิดนี่น่ารังเกียจถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องมีชราแล ะ, ะชราและพยาธิเนี่ยนะมันท่านก็เห็นเลยท่านก็เข้าใจแล้วเพียงแต่ว่ายัางไม่รู้ว่าช่องทางที่จะดับความเกิดเป็นต้นนี่คืออะไรก็ได้แต่จมอยู่กับความทุกรู้นะว่าเหมือนกับว่ารู้นะว่าโรคเนี่ยมันเกิดเพราะโรคเนี่ยมันเจ็บปวดขนาดไหนสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคตัวนี้มาอย่างไร รู้นะว่าท้องเสียตัวนี้มาจากอาหารชนิดไหนเนี่ยนะ